คนนี้มีความประพฤติสะอาดคือไม่ประพฤติชั่วด้วยกายและวาจาก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลแล้วเราจะสังเกตได้จากว่าผู้ใดเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลก็ขอให้ดูว่าคนนี้เขามีความสะอาดทางกายและวาจาหรือไม่หรือมีชีวิตสะอาดไหมถ้าชีวิตของคนนี้สะอาดไม่เกลื่อนเลื่อกับความชั่วต่างๆเราก็เรียกว่าอ๋อคนนี้เป็นคนมีศีลแล้วแต่ถ้าชีวิตของเขายังเกลือนกลื่อนใยความชั่วร้ายต่างๆ คนๆนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นคนมีศีลยังจับว่าเป็นคนมีศีลไม่ได้เพราะว่าเครื่องปรากฏของศีล น, น่ะคือความสะอาดสะอาดกายและวาจาน่าเป็นอาการปรากฏของศีล น, นี่เป็นเป็นสภาวะของศีลข้อที่ 3. สามศีลเกิดขึ้นได้อย่างไรคำว่าประทับฐานเนี่ยคือเหตุให้เกิดศีลว่าศีล น, นี่จะเกิดได้อย่างไรถ้าอกศีลจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้น มีความตรุลุกลัวมีความละอายก็คือทีริโอต ป, ปะนั่นเองทีริโอต ป, ปะเนี่ยเป็นเหตุให้คนมีศีลเช่ น, น, นเรามีความละอายต่อบาปละอายต่อการกระทำความชั่วอย่างนี้เรามีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่เราจะกระทำขึ้นความกลัวกับความละอายมาประกอบกันเข้าทำให้คนเป็นคนมีศีลขึ้นศีลจึงเกิดได้ ถ้ายังไม่มีความกระลุกกระลัวต่อบาป <c oughs> หรือไม่มีความละอายต่อกรรำชั่วแล้วคนคนนั้นมีสินไม่ได้เนี่ยเป็นเป็นปรัจฉพันธ์สำคัญที่ท่านไ ด, ได้แสดงถึงเรื่องของสิงนนไว้เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรจึงจะให้คนมีศิลเนี่ยก็ต้องคิดซะก่อนว่าทําอย่างไรจึงจะให้คนกระลุกกระลัว จึงแก่คนเนี่ยมีความละอายต่อบาปถ้าพูดตามชาวบ้านคือให้รู้จักอายบ้างทําอย่างไรจึงจะให้คนเนี่ยรู้จักอายขึ้นบ้างให้มีความละอายต่อการประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีแทนที่เราจะนิยมกันว่าแหมคนนั้นประพฤติความไม่ดีแล้วเป็นคนเก่เกงเป็นฮีโร่อะไรทั้นองนั้นเราก็จะได้พากันไม่นิยมแล้วว่าถ้าใครประพฤติไม่ดีเราไม่นับถือ ถ้าหากว่าสังคมเป็นได้อย่างนี้แหละครับคนจะละอายมากคือเมื่อมีความละอายต่อบาปหรือกรรมชั่วเราก็ไม่กล้ากระทําเหมือนที่เราปราบรบในปัจจุบนนันเนี้เราพูดเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขานิยมคนชั่วกันจนแล้วการทําไม่ดีนี่เขาถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยลูกหลานเราจะต้องรักษาชื่อเสียงวงศตระกูลอย่างมาก ทำอะไรเสียนิดหน่อยดีแม้เขาลือกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดว่าไอ้ลูกเต่าตระกูลนันตระกูลเนี่ยประพฤติไม่ดีเสียหายถึงเก็ดชั่วโคตรถึงวงตระกูลสมัยก่อนรักษาชื่อเสียงเกีดยรติยศของวงตระกูลมากในปัจจุบันไม่ค่อยคำหนึ่งถึงกันเท่าไหรนะ่นักราะเหตุที่เราไม่มีความระอายต่อการกระทาอย่างหนึ่งและไม่มีความเกรงกลัวว่าการกระทาชั่วอย่างเนี้ยตัวเองจะต้องได้รับทุกข์โทษ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งชาตินี้ชาติหน้าเราไม่ได้คํานึงถึงเพราะฉะนั้นจึงหาศีลในบุคคลเหล่ลานั้นยากถ้าหากว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีความระอายมีความเกรงกลัวแล้วจะระอายต่อการกระทําอนิดหน่อยที่ไม่ดีเนี่ยเราถือว่าแม้เป็นการเสียชื่อเสียงเลอะเกินถ้าหากว่าทําอะไรไม่ดีลงไปหรือทําอะไรไม่สมําเร็จขึ้นมาสักนิดหนึ่งเราถือเป็นเรื่องเสียหายมากอย่างนี้นั่นแหละจึงจะเป็นผู้มีสีนได้ ถ้ายังไม่มีสิ่งทั้งสองนี้ประกอบกันศีลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกล้าวไปถึงว่าทําอย่างไรคนจะมีศีลก็ขอให้ทําในขั้นที่ว่าทาอย่างไรจึงจให้คนในปัจจุบันเนี่ยมีความรู้สึกละอายต่อบาปแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปเสียก่อนเป็นขั้นต้นและขั้นต่อไปเราจึงจะให้เขามีคนมีศีลเพราะถ้ามีถึงขั้นนี้แล้วศีลก็เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าความละอายและความเกรงกลัวไม่มีอยู่ศีลจะเกิดไม่ได้ เนี่ยเป็นปัจฐานของศีลที่ท่านได้กล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิมัชฌนี้ความจริงในวันนี้อาตมาตั้งใจจะบรรยายให้จบเกี่ยวกับเรื่องในศีลนิเทศแต่ว่าเห็นท่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องของศีล น, นี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากอยู่แล้วก็มีประเด็นปริกย่อยที่เราจะต้องศึกษาเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็การบรรยายในวันนี้ ทุกๆอาทิตย์อัตมาก็มีเวลาบรรยายเพียงหนึ่งชั่วโมงท่านสาธุชนทั้งหลายวันอาทิตย์นี้การบรรยายคาภีพระวิสุทธิมัส ก, ก็จะเริ่มอธิบายเกี่ยวกเรื่องของศีลต่อจากเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ได้บรรยายถึงตอนที่ กล่าวถึงว่าศีลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสมาได้พูดถึงความหมายของการบัญญัติศีลให้ทัางทั้งหลายได้ทราบว่าศีลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในพระพุทธศาสนาเหล่านี้และได้พูดถึงเหตุเกิดแห่งศีลให้ทัางทั้งหลายได้ทราบไปแล้วว่าศีล น, นั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความระอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปหรือเมื่อสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือ คนจะมีศีลได้หรือศีลจะอยู่กับบุคคลได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีฮิริโอตตาปะถ้าฮิริโอตตาปะไม่มีศีลก็คงอยู่ไม่ได้วันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์หรือที่ทางธรรมะใช้คําว่าอานิสงส์ว่าศีลที่เรารักษานั้นจะเกิดประโยชน์และมีอานิสงส์อย่างไรเพราะว่าได้เกิ่นไว้ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนว่า ที่คนเราส่วนมากไม่รักษาศีลหรือไม่มีศีลนั้นก็เนื่องมาจากเราไม่เข้าใจว่าศีลนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรและพุทธประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรัญญัติศีลนั้นเพื่ออะไรกันท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังมาคงจะเข้าใจแล้วว่าเรื่องของศีลนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากและเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เพื่ออนุโลมหรืออนุวัต อำนาจัยของสัตว์เป็นสาคัญเพราะว่าส่วนมากสัตว์ทั้งหลายยมรักตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเราจะใช้ความรักตัวเองให้มากในทางที่ถูกแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นผู้มีศินได้เป็นแต่เพียงว่าเราเอื้อเฟื้อความรักของผู้อื่นบ้างเช่นเมื่อรักตัวเราเองคนอื่นเขาก็รักตัวเขาเหมือนกันแตนที่เราจะคิดว่าเมื่อเรารักตัวเราแล้ว คนอื่นจะรักหรือไม่รักไม่สําคัญการเบียดเบียนกันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักตัวเราเองมากและเราจะเผื่อแผ่ความรักตัวเองไปถึงผู้อื่นว่าผู้อื่นเขาก็รักตัวเองเหมือนกันในเมื่อชีวิตของใครๆก็รักอย่างนี้การไม่เบียดเบียนกันจึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในโลกที่เราจะประพฤติปฏิบัติกันได้ออนอกจากนั้น ท่านยังได้จำแนกถึงอนิสงค์ของศีลออกไปอีกว่าศีลทั้งหมดที่ท่านตรัสไว้นั้นจะมีอนิสงค์อย่างไรเรื่องอนิสงค์ของศีลนี้เราได้ยินคุ้นหูกันในสมัยที่เราได้สมาทาเนเบญจศีลบ่อยๆ <Be at> เช่นเมื่อเราสมาทานเบญจศีลหรืออุโบสถศีลพระเพื่อเป็นผู้ให้ศีลจะสรุปตอนท้ายว่าสีเลนะสุขติยันติ สีเลนะโอคัสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัศมาสีลังวิโสทะเยซึ่งอันนี้เป็นการสรุปถึงอ น, นิสงส์ว่าศีลที่เราได้สมาทานกันอยู่จะเป็นศินห้าหรือสินแปดก็ตามย่อมเป็นปัจจัยให้ไปสู่สุกติย่อมทำให้รานี้ได้เกิดโพคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นบันไดไปสู่สวรรค์และเป็นทางให้บรรลุถึงซึพระนิพพานในที่สุด นี่เป็นอันิสง์ของศีลที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆแต่ความเข้าใจนั้นเรายังมีน้อยเต็มทีว่าศีลนั้นจะเกิดประโยชน์อย่างไรแก่ผู้ที่รักษาบ้างเรื่องนี้เป็นธรรมดาของปุถุชนทั่ ว, วไปเมื่อเราทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มักจะพิจารณาถึงผลที่ได้ว่าเมื่อเราทําไปแล้วนี้จะได้ผลอย่างไรเช่นอย่างเราจะทําบุญ เราก็ต้องนึกว่าสิ่งที่เราเสียสละออกไปคือทรัพย์สินเงินทองนั้นจะเกิดบุญเกิดกุศลแก่เราอย่างไรบ้างคือเรื่องผลที่เกิดเกิดขึ้นจากการทำกุศลในพระพุทธศาสนานี้ท่านสาธุชนบางท่านยังเข้าใจกันประเพียงแคบๆที่ว่าเข้าใจกันเพียงแคบๆนะ่ะคือมามุ่งถึงตัวเองเป็นสาคัญ คิดว่ากุศลทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญกันอยู่นั้นก็น่าจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองบางคนก็เลยทําบุญเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับผลเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ได้คิดถึงคนอื่นบ้างว่าผลที่นอกจากจะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วยังเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นอีกด้วยอย่างเราทำํำกุศลในปัจจุบันนี้บางท่านพอไปทําบุญก็คิดแต่ว่าขอให้ผลแห่งบุญที่เราได้ทํานี้ ให้ตัวเราเองร่ำรวยขึ้นหรือว่ามียศฐาบรรดาศักดิ์สูงส่งขึ้นคือคิดถึงตัวเองเพียงคนเดียวเท่านั้นตรารอคนเองเป็นใหญ่ทางอย่างนี้เรียกว่าอัตตาที่ปฏิเจรจาเป็นทางที่เราบริจาคหรือบุญที่เราทําเพราะเราตารอบตัวเราเองมุ่งเที่ยเกิดประโยชน์แก่ตัวเราแต่เราไม่ได้คิดว่าบุญกุศลที่เราทํานี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด เราไม่ได้คิดเช่นตมาจะขอยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าเราจะสร้างโรงเรียนสักหลังหนึ่งหรือจะสร้างโรงพยาบาลสักหลังหนึ่งแทนที่เราจะคิดแต่เพียงว่าโรงเรียนหรือโรงพยาบาลที่เราสร้างเราเสียตลาดทรัพย์ไปนี้จะทําให้เราได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือได้รับคําสรัเสรินเยินยอจากทิ่สานุทิต่างๆเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย โรงเรียนก็ดีโรงพยาบาลก็ดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมากเช่นจะทําให้ปุรบุตรปุรธิดาได้ศึกษาเล่าเรียนทําให้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้มีโอกาสพักพิงและก็ได้มารักษาพยาบาลความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้เด้ป่วยเหล่านั้นและก็จะเป็นประโยชน์แก่คนนับไม่ถ้วนซึ่งเราจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเราไม่ได้คิดเผื่อแผ่ผลที่เราจะพึงได้รับไปในผู้อื่นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำเนี่ยจึงมีอานิสงส์น้อยอย่างเราทำบุญเพื่อตัวเราเองอานิสงส์ก็ได้น้อยเราต้องคิดถึงคนอื่นให้มากๆอย่างพระพุทธองค์แม้ว่าบา ร, รมีเหล่านั้น่ะพระพุทธองค์จะอธิษฐานว่าขอให้เป็นปัจจัยแก่สระพะธิยานคือการได้บรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการ อย่างนี้ก็จริงอยู่แต่พระโพธิยานนั้นถ้าเราพิจนารณาแล้วไม่ใช่เพื่อพระองค์เองถ้าพระพุทธองค์จะปฏิบัติเพื่อพระองค์เองแล้วก็ไม่น่าจะต้องปราถนาโพธิยานเพราะในชาติที่ตั้งจิตปราถนาครั้งแรกนั้นพระพุทธองค์ก็สามารถจะสำเร็จเป็นสาวกสาวกพุทธะได้ สภาวะโพธิยานก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องถึงขั้นสัมมาสัมโพธิยานก็สามารถที่จะปฏิบัติตนเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ในชาตินั้นแต่อันนั้นเป็นการช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์เพียงผู้เดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ได้นึกถึงประชาสัตว์ทั้งหลายว่ายังเป็นทุกข์มากมายอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้อธิษฐานจิตใหม่ว่าบุญกุศลที่ทํานี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่พระโพธิยาน และการสร้างบา ร, รมีเพื่อพระโพธิญาณจนกระทั่งบางครั้งเราศึกษาวรรณคดีก็ดีหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบา ร, รมีก็ดีถึงกับได้ไปประนามท่านว่าเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุดเช่นอย่างสามารถสลาลูกสลาเมียได้ในพระเวสสัดอนดรอย่างนี้ก็เลยติดเสียนว่าพระเวสสัดนดรเนี่ยทําบุญเพื่อเห็นแก่ตัวไม่ได้นึกถึงว่าลูกเมียจะทุกข์ยากอย่างไร คิดว่าพระเวสสุนนาร์เห็นเกตตัวซึ่งเราคิดกันแคบแคบเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่พระเวสสุนนรก็ไม่สามารถในอย่างรู้ถึงความรู้สึกได้ว่าท่านมีความคิดเห็นเกตตัวหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็จะเห็นว่าผลจากการที่ได้เสียสละทานอันอุกปิดเช่นนั้นได้เป็นปัใจจัยให้พระพุทธองค์บรรลุถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อบรรลุถึงซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระพุทธองค์ได้โปรดเวนยสัตว์ได้ผลตัตว์ลื้อสัตว์ให้พ้นจากวัตฏสงสารนั้นเป็นจำนวนมากมาตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ผลแห่งการประสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อพระองค์เองแต่ว่าเพื่อสรรพสัตว์ทั่วโลกทั้งมารโลกตุมะมโลกเทวโลกซึ่งก็ได้รับประโยชน์จากการต ร, รัสร้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันหมด สัจธรรมนั้นก็ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ผู้อื่นต่อไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์เองก็ไม่ได้สร้างบารมีธรรมเพื่อประโยชน์ของพระองค์แต่ว่าเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์โดยทั่วไปฉะนั้นเราจะสร้างกุศลอย่างไรอย่างหนึ่งขอให้ชาวุชนทั้งหลายพึงแผ่เมตตาจิตไปในสรรพสัตว์โดยไม่มีประมาณว่าบุญกุศลที่เราทํานี้ ไม่ใช่เราจะทำเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่เรามุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์แก่สรรพสัตว์อย่างกว้างขวางต่อไปด้วยแทนที่จะคิดว่าเราจะสบายก็ขอให้คิดว่าขอให้คนอื่นสบายการคิดช่วยเหลือผู้อื่นนั่นก็คือการคิดช่วยเหลือตัวเองการสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นก็คือการสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองการทำความดีให้แก่ผู้อื่นก็คือทาความดีให้แก่ตัวเอง เนี่เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเข้าใจทีนี้เรื่องของศีลก็เหมือนกันเรารักษาศีลเรามุ่งที่จะได้รับอานิสงส์ของศีลเป็นสําคัญเพราะศีลที่เรารักษานั้นก็ถือว่าเป็นการทํากุศลอย่างหนึ่งเป็นการสรํารวมที่เกิดประโยชน์เกิดกุศลอย่างหนึ่งอานิสงส์ของศีลนั้นจะมีอย่างไรบ้างเอ่อข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัส กลับฤหบดีท่านหนึ่งในสมัยสุตกาลโดยตรัสให้เห็นถึงอานิสง์ของศีลว่าศีลที่เรารักษานั้นจะมีประโยชน์อย่างไรเช่นอย่างการสมรวมกายสมรวมวาจาหรือการเว้นจากประพฤติชั่วทางกายและวาจานั้นจะเกิดอานิสง์อย่างไรคำว่าอานิสง์เนี่ยแปลว่าประโยชน์แปลว่าประโยชน์คือผลประโยชน์ เรจะแปลให้เข้าใจง่ายๆคือผลประโยชน์แต่ว่าผลประโยชน์อันนี้ไม่ใช่หมายถึงผลประโยชน์ทั่วๆไปเช่นอย่างผลประโยชน์ทางการค้าผลประโยชน์ทางการเศรษฐกิจอะไรต่างๆอย่างที่เราเข้าใจแต่นในทางโลกๆนะั้นแต่ผลประโยชน์ในที่นี้หมายถึงผลที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์อย่างไรท่านทั้งหลายลองพิจดารณาดูก็ได้ว่า ประโยชน์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นี้ควรแก่การที่เราจะลงทุนรักษาศินกันหรือไม่พระโดดปกติแล้วถ้าพูดถึงการรักษาสินแล้วเรามักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากก็อขอให้เราได้ศึกษากันให้เข้าใจว่ามันยากจนกระทั่งเราไม่สามารถจะทําได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่ยากจนเกินไปนักเราก็ควรที่จะได้ลงทุนด้วยการรักษาศีลกัน จะเป็นศีลห้าศีลแปดก็ตามแล้วแปดสัทาของเราที่จะรักษาได้พระพุทธองได้กลัดแก่พระหามบุรีท่านหนึ่งว่าดูก่อนพระหามบุีผู้ที่มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลสัมปทานในโลกนี้ย่อมประสบซึ่งกองแห่งโพคะใหญ่คือความไม่ประมาทอันเป็นคุณอย่างยอดเยี่ยม คือย่อมประสบต่อตองแห่งโค้าใหญ่ทีนี้ถ้าพูดถึงคำว่าโควะเราไปตีความกันว่าเมื่อรักษาสินแล้วย่อมได้โควะสมบัติเราไปเข้าใจว่าโควะตัวนี้คือตัวทรัพสมบัติว่าคนมีสิแนแล้วก็จะต้องมีทรัพสมบัติและด้ดยเหตุนี้เองจึงมีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่พุทธศาสนิกชน บางท่านรักษาศีลก็บอกว่าเอ๊ะคนที่เขาไม่มีศีลน่ะทาไมเขาถึงได้มีโผขะมากในท้ายของศีลว่าคนมีศีลเนี่ยเป็นคนที่มีโผขะมากแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยสู้คนที่ไม่มีศีลไม่ได้เช่นอย่างคนที่ไม่มีศีล น, นั้นเป็นคนที่ค่าสัตว์ตัดชีวิตขายเช่นอย่างคนที่ค่าค่าสัตว์เป็นเเช่นค้าหมูหรือฆ่าหมูขายเนี่ยบอกว่าใครฆ่าหมูขายแล้วก็จะรวยเร็ว หรือขายค้าขายหมูเราก็จะรวยเร็วหรือไม่แช่นั้นคนที่ต้มกลั่นปูราขายคนที่ค้าอาวุธตลอดจนคนที่ค้ามนุษย์ค้ามนุษย์เนี่ยเช่นอย่างหลอกลวงมนุษย์มาขายเข้าซองโนนซองนี้บ้างว่าเป็นทางหาที่ร่ารวยเร็วจะเป็นแบบวิธีการอันใดอันหนึ่งซึ่งจะแยกยนต์สูงขึ้นกว่านี้หรืออย่างไรก็ตามก็ถือว่านี่เป็นทางมาแห่งโข ค, ค่ะ ส่วนคนที่มีศีลก็คือตาสีภาษาคนแก่คนเฒ่าที่อยู่กับป๊อปเล็กๆมีกินบ้าง ม, มีกินบ้างอย่างนี้นะหรือที่เรียกว่ามีโคคะมากบางคนเข้าใจว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ร่ํารวยขึ้นคําว่าโคคะในที่นี้ท่านทั้งหลายโปรดเข้าใจด้วยคาว่าโคลคะในที่นี้คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่คือโคค่าอันใหญ่เยี่ยมไม่ใช่หมายถึงว่า โคะสมบติทั้งหมดน่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่แม้เราจะมีโคะมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเป็นคนตั้งตนอยู่ในความประมาอมโคะเช่นนั้นก็หาอยู่ได้ไมโภคะเหล่านั้นก็วิบัติและโภคะเหล่านั้นก็ช่วยให้บุคคลเหล่านี้ประสบกับความทาสุขไม่ได้จะต้องมีความทุกข์ทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคต โภคค่าก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเหมือนคนที่เลี้ยงชีพอย่างผู้ไม่มีสีลเช่นพวกมิจฉาชีพหรือมิจฉาอาชีวะแม้ว่าจะมีโภคะ่ามากมายสุดเพียงใดก็ตามก็ไม่เป็นสุขเกิดความทุกข์ขึ้นจะต้องเกิดความเดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องทำให้เกิดความเป็นทุกข์อยู่เสมอแล้วท่าทั้งหลายลองคิดดูว่า ทรัพ ส, สมบัติที่มีอยู่นั้นจะช่วยอะไรได้เพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราที่อยู่ในโลกนี้เราต้องการความสุขต้องการความสงบเยือกเย็นในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวเราต้องการความสุขความร่มเย็นแต่ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ทำความสุขความร่มเย็นกจิตใจให้เกิดขึ้นทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร โพคะในที่นี้ท่านหมายถึงความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทก็หมายถึงว่าความสารวมหรือความมีชีวิตอยู่อย่างผู้ที่มีสติสัมปชัญญะคนที่มีชีวิตอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะนั้นเราเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทสิอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องประสบต่อความทุกข์หรือความหายณะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ความไม่ประมาทนั่นแหละคือตัวโพคะอันใหญ่ ถ้าหากวาเราประมาทเพียงอย่างเดียวแล้วถึงจะมีอย่างอื่นก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยความเป็นอยู่ในชีวิตนี้จึงไม่ควรประมาทนี่เป็นอนิสงส์ของศีลข้อที่หนึ่งคือจะต้องประสบประกองแหกโควคาใหญ่ได้แก่คือความไม่ประมาทอันเป็นคุณอย่างเยี่ยมเป็นคุณอย่างเยี่ยมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แก่ท่านครืหาบดรีผู้นี้ว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นคุณอย่างเยี่ยมคือประเสริฐกว่าทรัพสมบัติใดๆทั้งหมด เพราะผู้ที่มีศีลแล้วย่อมเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดีความเป็นอยู่อย่างผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดีเนี่ยมีคุณอย่างเยี่ยมแก่ชีวิตของคนอย่างน้อยก็ไม่หลงทํากาลกิริยาตายแม้ปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นบุคคลที่อยู่อย่างคนที่มีสติสัมปชัญญะไม่ไม่ปล่อยให้อภุตตะธรรมต่างๆเนี่ยเข้าครอบงาจิตเพราะความไม่ประมาทเนี่ยได้ช่วยไว้นี่เป็นอนิสงส์ข้อที่ห อันดีสองข้อที่สองพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนรฤหบดีผู้ที่มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมมีเกียรติอันดีกระชอนไปเกียรติอันดีกระชอนไปคําว่าเกียรติในที่นี้หมายถึงเกียรติยศว่าย่อมจะมีเกียรติยศเนี่ยลือกระชอนไปหมดถ้าหากว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศีล เราจะสังเกตได้ว่าบุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีความสะอาดทางกายและวาจาบุคคลเหล่านี้มีเกียรติศักดิ์ที่ลือกระชนไปหมดใครๆก็กล่าวสรรเสริญยกย่องว่าท่านผู้นี้เป็นคนดีท่านผู้นั้นเป็นคนดีคนดีนะ่ะมีคนกล่าวขวัญถึงบ่อยๆและแม้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรดีๆคนดีก็มัมกจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในทางที่ดี ในทางที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยทาความดีต่อไปท่านทั้งหลายจะสังเกตได้จากอย่างพระที่ท่านเทศอยู่บ่อยๆเวลาท่านจะพูดถึงความดีอย่างไรอย่างหนึ่งท่านจะต้องยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างหรือไม่เชนั้นจะต้องยกพระสงฆ์สาวกรูปใดรูปหนึ่งที่เป็นผู้กระพฤติความดีในเรื่องนั้นๆมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านผู้นี้ก็ได้ทําความดีอย่างนี้เนี่ยสดแสดงให้เห็นว่าคนดีนั้น ถึงแม้ตัวจะตายแต่ว่าชื่อไม่ตายที่ชื่อไม่ตายเพราะว่าผู้ที่จะพูดถึงความดีจะต้องหยิบยกเอาคนดีมากราเป็นตัวอย่างเป็นบุคราพิษฐานบุคราธิษฐานนะั่นกะคือการยกบุคคลขึ้นมามาเป็นที่ตั้งหรือมาเป็นตัวอย่างในการที่จะอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจคนดีจึงมักจะถูกยกมาอยู่เสมอบ่อย และการที่เรายกคนดีมาเป็นตัวอย่างในทางที่ดีนั้นก็เป็นการยกในทางที่ไม่ผิดแต่ถ้าคนไหนทำความไม่ดีไว้เช่นคนชั่วคนใดที่พูดถึงเรื่องความชั่วความไม่ดีแล้วเขาก็จะยกเอาคนที่ทำความชั่วเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างในทางที่ชั่วว่าอย่างคนนี้ไม่ควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างก็ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็ยกตัวอย่างว่าคนนี้ทาความชั่วอะไรบ้าง เนี่ยคนที่พูดถึงเรื่องความชั่วก็มักจะเอาคนชั่วมาเป็นตัวอย่างแม้ว่าคนชั่วนั้นจะตายไปตั้งนานแล้วก็ตามแต่ชื่อของเขาก็ยังไม่ตายเหมือนกันคือความชั่วนั้นจะยังมีอยู่ในโลกนี้นานให้คนอื่นเนี่ยสาแก่งต่อไปอย่างพระสัานเทพ ค, ครั้งใดถ้าพูดถึงเรื่องความอัปตันอยู่แล้วหรือความเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิแล้วความเป็นผู้ประมาทมัวเมาในลาภยศแล้วก็มักจะยกตัวอย่างพระเทวทัพ ท, ท, ทั้งๆทีพระเทวทัพก็ตายไปตั้งสองพันกว่าปีแล้วและปัจจุบันนี้พระเทวทัพก็ยังเสวยทุกอยู่ในอเวจีแต่พระก็ยังยกตัวอย่างเทวทัพมาบ่อยๆก็แสดงว่าเทวทัพก็ยังไม่ตายแต่คำว่าไม่ตายของเทวทัพก็คือความชั่วของเทวทัพนั้นยังอยู่ในโลกนี้อีกตั้งนานถึงตัวของเทวทัพจะแตกสลายไปแลว้วก็ตามแต่ความชั่วที่ทําไวนะ้น่ะชื่อที่ทําไวนะ้นั้นคนที่พูดถึงความชั่วก็ยังต้องยกตัวอย่าง พระเทวทั์เนี่ยมาเป็นตัวอย่างในทางที่ชั่วเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเรื่องของเกียรติยศเกียรติศักดิ์ัเป็นของที่ถาวรถ้าเราทำความดีไว้ความดีก็เป็นของถาวร อ, อาจจะอยู่ในโลกนี้เป็นพันๆปีแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะผุเปื่อยผุพังไปแล้วเราอาจจะไปอุบัติเกิดขึ้นในภพใดภพหนึ่งแล้วแต่ความดีที่ทำไว้ในโลกมนุษย์เนี่ยก็ยังคงให คนรุ่นหลังๆได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในทางที่ดีต่อไปผู้ที่มีศีลจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติศักด์หรือขจรไปหรือกระชอนไปทั่วทุกทิศนี่ถ้าพูดถึงเรื่องเกียรติศักด์อันดีหรือกระชอนไปทั่วทุกทิศนี่เรื่องเกียรติศักด์นี่เรายอมรับกันว่าซื้อไม่ได้ด้วยเงิน คือาเงินไปซื้อเกียรติศัพท์ชื่อเสียงเนี่ยซื้อจะไม่ได้ท่านทั้งหลายจะศึกษาได้จากรวติศาสตร์ในอดีตมาถึงปัจจุบันว่ามีใครบ้างไหมที่มีเงินมากและเงินจํานวนมากนั้นจะซื้อเกียรติศัพท์อันดีหรือทําเกียรติศัพท์อันดีของตอนเนี่ยให้ลือกระชอนไปได้ไม่มีเลย ถึงแม้จะมีมากมายแค่ไหนก็นตามก็ไม่มีทางที่จะซื้อเกียรติศัพท์มาได้เกียรติศัพท์เหล่านี้ไม่ใช่ซื้อกันได้ด้วยเงินแต่ว่ามันลื้อกะช่อนไปด้วยด้ว ย, วยอนุภาพแห่งความดีที่ทุกคนเนี่ยปฏิบัติกันอยู่และเกียรติศักด์อันนี้ก็จะลือ้อขจจรไปเองโดยที่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปซื้อหรือทุ่มเทเงินทองไปโคสนานกันเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ใช่ความจริง ก็อยู่ในโลกเนี่ยไม่นานและผลสุดท้ายก็จะกลายเป็นความชั่วอันลือกระชอนต่อไปอีกซึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราศึกษาเราเรียนได้จากตรวัติศาสตร์ในอดีตเราก็จะเห็นความจริงข้อนี้นี่เป็นอนิสงส์ของศินข้อที่สองอนิสงส์ของศินข้อที่สามท่านกล่าวว่าบุคคลใดก็ต า, ามซึ่งเป็นผู้มีศินถึงพร้อมได้สินสามประธาแล้ว จะเข้าไปสู่บริษัทใดก็าตามบริษัทเหล่านี้จะเป็น ก, กษัตริย์รามแพทย์สูสมณชีพรามใดๆก็าตามย่อมเป็นผู้แกล้งกล้าคือไม่เก้อเขินจะไปสู่ที่สังคมใดๆก็แกล้งกล้าไม่เก้อเขินไม่ต้องประมาะว่าแม้เราเนี่ยประมาทในที่ประชุมประมาทในที่ในสังคมของหมู่นักปราชญ์หมู่บัณฑิตทั้งหลาย ผู้ที่มีศีลแล้วย่อมไม่ไม่ตมมาในสถานที่เหล่านี้ไม่เก้อเขินเราจะเข้าสู่สังคมใดๆก็ได้ไม่ต้องกระดาษอายเหมือนกับเราทำความดีในปัจจุบันเนี้เราจะไปสู่สังคมไหนๆเราไม่ต้องกระดาษเลยแต่ถ้าเราไปทำอะไรไม่ดีไว้สักนิดหนึ่งแม้แต่จะออกจากบ้านก็ยังไม่กล้าออกยังจะต้องซ่อนตัวอยู่เพราะว่าเข้าสังคมไม่ได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการทาอะไรไม่ดีนั้นเป็นผลเสีย แต่ถ้าเราทำอะไรดีๆแล้วเราก็เข้าสู่สังคมใดๆไดๆ้ทั้งนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินจะมียศหรือไม่มียศไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือให้เราเป็นคนมีศีลถ้ามีศีลแล้วเราเข้าสู่สังคมใดๆได้โดยไม่ต้องเก้อเขินไม่ต้องกระดาษอายแต่ถ้าหากว่าเรามียศเรามีเงินแต่ถ้าเราทาอะไรไม่ดีเราไม่มีศีลไม่มีธรรม ถึงแม้เราจะเข้าสู่สังคมใดๆประตามมันก็อดคิดกระดากใจไม่ได้หรืออาจจะเกิดประมาทเกิดความเก้อเขินขึ้นในสังคมนั้นๆเนี่ยความเป็นผู้ไม่มีศีลนี้ก็ให้โทษมากความเป็นผู้มีศีลเนี่ยทาให้เราแก่กล้าไม่เป็นคนหวาดกลัวไม่ต้องคร่าต่อคําติดชินดินคาหรือคําดินทาว่าร้ายเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่นี่เป็นอานิสงส์ของศีลข้อที่สาม อา น, นิสงของศิลข้อที่สี่ก็คือไม่หลงทําการละกิริยาคําว่าการละกิริยาเนี่ยคือกิริยาที่จะตายเรียกว่าการลกิริยาคือตอนจะตายหมายความว่าคนมีศีนแล้วถึงแม้จะตายก็ไม่หลงหลงทําการละกิริยานั้นก็คือแม้จะตายก็ตายด้วยความหลงคนที่ตายด้วยความหลงก็คือเวลาจิตใกล้จะดับเนี่ยจะยึดถืออะไรเป็นอารมณ์ เป็นที่พึ่งไม่ได้เช่นจะนึกถึง